เข้าฌานนานนับเดือนไม่คลายเคลื่อนกายาจำศีล ถ้าพระภิกษุสงฆ์หรือมนุษย์ผู้ใดบำเพ็ญศีลปฏิบัติดี ที่ฤาษีบางตนสําเร็จฌานสมาบัติ 8 คือรูปฌาน 5 มีฤทธิ์มากนั่งเข้าฌานจน อภินิหารพระพุทธองค์นี้พระพุทธองค์พระสุปฏิปันโนและมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีจะทราบ เกี่ยวกับพระภิกษุผู้เจริญอิทธิบาท 4 สําเร็จนั้นว่ามีจริงและท่านได้มีโอกาสถวายตัว ที่เรารู้จักท่านยังมีชีวิตอยู่ในนามหลวงปู่บรมครูพระครู 4 สําเร็จและท่านก็มี สังเกตจากผนังวัดถ้ำบัวแดงมีรอยจารึกชื่อสมเด็จพระสังฆราชสุขไตรเถรสมเด็จพระพุทธจารย์ๆเท่า กับเรื่องของหลวงปู่บรมครูพระครูธรรมเทพโรคอุดรหรือหลวงปู่ใหญ่นะหน้าระยะ นะท่านจะนำเรื่องเบื้องต้นเขาสร้างวัดใหม่ฟังก็ และนี้อาตมาก็เป็นหัวหน้าในการสร้างเพราะ หลวงพ่อมหาเชิญท่านอินทร์พระเคยเรียนจากเป็นเชื้อสายของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้ทําท่องได้ทํานาคได้ทํา เออได้แล้วก็ขึ้นเลือกบินโดดลงมาก็ได้เหมือนอย่างกับเรียนนําเทียวลงมาเนี่ยเรียนหมดจบเสร็จอย่างวันนี้ก็เอ่อก็บอก เอ่อมาเจามาไอ้เขาเห็นน่ะเขาจะเป็นอาจารย์สอนบ้าง 20 กว่าปีแล้วไม่ใช่น้อย ทะเลก็มาจําพระชายไว้ก็ใส่กล้า จากบ้านมาบ้านไม้ไปจำพรมข้ามสะพานที่ครับหน้า อาตมาก็เสตะพกเดินไม่ครับว่าเป็นกรุงเทพฯครับครับตอนนั้นยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ตอนนี้ ประตูอุ้มไปส่งให้หมออืออุ้มไปส่งให้หมอครับแต่ตัวใหญ่ ก็มันมันปรึกษากัน 3-5 คนกับพวกหมอรองพยาบาลว่า 2 คนวันหลวงพ่อโลกอุดรเอา คนปะตะโนนะอาตมาก็อ๋อรูปนี้เคยอ๋อเคยพบที่วัดเทวกษาอำเภอตะพานหินอ๋อครับครับครุโคธรเค้าเคยเป็นครับกํา ไปเมืองนครสวรรค์สักทีอ๋อนี่สักทีเดี๋ยว หมอมันบ่าวอัจฉ์ชวนอวันทัยไม่ไม่เห็นมันมีและ นักศรัทธาผู้ที่พยายามจะพบหลวงปู่เทพร่วมอุดรอีกท่านหนึ่งคือคุณวิรัตน์โรจินดาก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์<ใช> ตาเล่าดูลิเที่ยวแต่สามเณรเที่ยวไปกับเพื่อนนะนะ 18 นะฮะก็ๆกันน่ะนะฮะก็<ใช> ตุ๊บพุสลคันถาก็มีการทําพิธีวงสรวงแล้วก็ แล้วด้านซ้ายมือนี่จะเป็นรูปหลวงพุฒสุขเอ๊ะไอ้รูปเนี้ยนะ ก็ผู้สุขนิชราภาพมาก 2466 ก็ทําไมอยู่ซะต่ําโอ้โหเป็น 10 น้อยกว่าเนนถ้าเขาบอกว่าพระด้วย 200 บาทใช่มั้ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทําไมรูปเนนตรง อาจารย์สุกมะขามเฒ่าแม่หน้าเนเออนั่นๆน่ะท่านคือหลวงปู่แท้หลวงอุดรนะเป็นอาจารย์หลวงสุกมะขามเฒ่านึงแล้วทุกท่านยังมีชีวิตเนี่ยเกิดอาการแบบชักไม่เคยได้เริ่มสายทางศาสนาพูดง่าย ดูแล้วมันเป็นคล้องเหมือนมาหลอกคนหรือมาหลอกญาติโยมต่างๆมันเป็นไปไม่ได้อ่ะใช่มั้ยฮะซึ่งหลวงปู่สุขเนี่ยนะอายุมากแล้วเนี่ยมรณภาพ ท่านเป็นพระที่อยู่มาตั้ง หลวงภพภูมิเนี่ยขึ้นไปเป็นถึงพระสีอรหริยะเนตร นะๆผมก็ย้อนถามแล้วหลวงปู่เคยเห็นมั้ย ก็มีพระรุ่นพี่ๆท่านพระทุรดงบางรูปบางอะไรนี่ก็เคยไปเจอถ้าจะกล่าวๆเนี่ย แต่แต่อาจารย์ของพระป่านี่ 2-3 รูปที่ท่านไปเรียนวิชามาคือ 1 ท่านไปเรียนวิชาหลายๆแขนงต่อจากหลวง ผมอย่างนั้นผมก็ได้ชวนนายตำรวจทั้งนึงนะฮะแล้วก็จ้างชาวบ้าน <Yes. S 2> <เลย, S 3> <is> เป็นยังไงโยมเดินทางเนี่ยมาในตาเนี่ยไหนมั้ยก็หน้าตาก็ไม่ใช่นะฮะแต่เป็นพระที่รูปร่างสูงโตงใหญ่นะฮะ <อะไร? S 1> พอคุยไปได้ประมาณสัก 20.00 น. 7:00 น. ท่านก็บอกอรนะเดี๋ยวท่านพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นเอ่อใหญ่อยู่ ก็รู้ขึ้นมาลุกขึ้นมาก็เห็นท่านก็ท่านก็นั่งอยู่ที่กดเสียงให้แอมอะไรมั้ยเสร็จแล้วท่านบอกอ้าวเอาข้าวเนี่ยไปเทใส่กระมัง ผมเคยการกังขาตกใจในชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเจอ มีกับข้าวที่ใส่ถุงพลาสติกเหมือนคนภาคกลางเรามีผลมาก ได้กินเข้าไปเถอะให้วันนึงประทางชีวิตไม่ต้องไปรู้มั้งว่าบิน ใช่มั้ยพอเสร็จแล้วเราล้างบาทล้างเนี่ยเสร็จ แต่แล้วก็บอกกันว่าหลวงปู่ครับตอนนี้หลานมาตามหาหลวงปู่ที่วัดเทพอุดรเนี่ยธรรมะน่ะนะมันไม่ได้อยู่ในป่าหรอกในป่าหลังจากนั้นนายเค้า มาหาพระน่ะนะไม่ต้องปลุกปืนมาล็อกนะพระไม่มีอันตรายอะไรหรอกปลุกมาทําไมกันตํารวจที่ไปกับผู้เยอะกระดุ้งเอท่านรู้ได้ไงน่ะอาวุธปืนซ่อนเอาให้หลานได้รู้ชื่อหลวงปู่สักครั้งเถอะหลวงปู่ ตอนเนี้ยผม 3 ไม่สามารถพิจารณาได้สมองมันตื้อเออเห็นมั้ย หนะสมปรารถนาแล้วใช่มั้ยผมก็ตกใจเพราะผมไม่ได้พบผมยังไม่เจอหลวงปู่แทบ ผมก็สอดการคามาเอ๊ะแล้วรูปท่านนี้ก็ถ่ายมาหน้าท่านแบบนี้แต่ที่เราเจอในธรรมนาถท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นั้นๆอย่างนะฮะหลังจากนั้น<ใช> <นะ. S 2> ผมเข้าไปหมู่บ้านนึงก็ก็เค้าอยู่ข้าวก็ไปอาศัยข้าวกินก็ช่วย พอวันนั้นแล้วเนี่ยตัดสินใจกลับบ้านครับพอรู้ว่าตัวเองใบไม่รอดนะ ผมก็หาเสียงนั้นไม่เจอฮะก็พยายามหาก็ไม่เจอนึกว่าชาวบ้านจะมาตัดฟืนพอตอนหลังๆฮะเข้า จะไปไหนเข้ามานี่ก่อนสิฉัน เข้าไปฮะพอหลุดพ้นจากตรง นะฮะสักพักก็ได้ยินเสียงอีกบอกได้มาทางนี้แล้วไอ้ฉันอยู่ที่นี้ยังอยู่ตรง ผมไม่รู้ทํายังไงฮะมันเกิดปิติก้มลงกราบทันทีเลยนึกว่ายังไงต้องเป็นหลวงปู่ใหญ่แน่นอนก้ม นั่งคุยกันไปก็ไม่รู้ว่าตั้งกระช้าไป ถ้าท่านหายไปไหนผมก็เดินไปดู นํามาถึงพระศาสนาของพระศรี 6 7000 ปี 80000 ปีคนที่อยู่ในฐานะ ท่านบอกกับผมว่าเอาล่ะนะอยู่ตรงนี้แล้วนะ 20 กว่านาทีได้ท่านก็ไม่มาแต่สักไหนพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกเอ่อฉันไปบินธบาดมาแล้ว ระหว่างที่ผมเอาข้าวไปเทใส่คารามังใหม่นั้นจิตได้สํานึกมันอีกมีผลหมากราก นี่ฮะทําให้ผมเนี่ยเจอ ท่านก็ฉันฮะรัตนาฉัน 2-3 คำ 4 คำเหมือนกันแล้วก็ ต่างนั้นน่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าก็ให้ผมกลับผมก็หลังจากที่จะ จะอนุทรงต่อไปท่านก่อนกลับท่านได้ให้ห่อไปตอนผมอยู่ 2 คอท่านบอกมา ถ้ามีบุญบารมีคู่กันเดี๋ยวก็เจอ 4 ทิศพอเดี๋ยว พศ. 39 เนี่ยนะท่านก็คง ถ้าอยากมาแพ้จะมีเรื่องมีลาเปิด ท่านฮะมันก็เป็น หลวงปู่บรรพมาครูพระครูธรรมเทพโลกอุดรท่านมิได้และสัมผัสกับดวงจิตดุงวิญญาณผู้ค้ำจุนพระศาสนา ก็แน่กันประมาณเข้าไปกับอาจารย์เปโรจารย์เปโรจารย์มาขอบูชาเพราะเราเจ้าอาวาส นะพระหลวงปาณเนี่ยนะพระองค์เนี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเลยฮะเริ่มแรกนี่เดี๋ยวมีเสียงออกมานะมึงอยากรู้อยากเห็นอะไรอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวพอนั่งๆไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนการดึง มีบางวันนี้นั่งๆไปนี้เหมือนผมเข้าไปอยู่ในเส้นทางตรงกลางมีเสียงปืนดาบกันอะไรกันยิงปืนกันเสียง ใส่ชุดคล้ายๆเป็นผ้าคุมสีขาวๆครับไม่น่าเชื่อว่าไอ้เสียงตรงกลางเนี่ย ออกมาได้มาได้ฮะได้ๆนานาตั้งแต่อดีตท่านสมัยนั้นถ้าเราว่าท่านมา หนีทัพมาพระม้ามนตรีเอ่อที่อยุธยาท่านก็เอาเรือเนี่ยครอบครอบผัวแล้วก็ลอย สมเด็จกรมพระราชวังบวรคือสามารถนํากําลังทัพ 30,000 คนตีทัพ 2 เท่าแตกทัพ 9 ทัพ เรื่องของพระภิกษุก็ยังมีผู้ปฏิบัติดีได้พบท่านมากับความลี้ลับมหัศจรรย์หลวงปู่ๆพิสดารๆออกไปดังเช่น ไปเที่ยวยังป่าหิมพานต์ด้วยนอกจากบุโฑลหลังแคลจะ ไปทานท่านมหาไทยครับผมท่านก็บอกว่ามหาเจ้าบ่ทันนะอันนี้ก็พอแค่นี้แล้วสิขึ้นเอาปัจจัยที่บ้านไปซื้อนําเพิ่นให้ท่านเป็นเด็กน้อยมันหายไปได้แล้ว จะการให้มีชาญแรงจริตปฏิญาณมีชื่อเรียกอ่าหมักเอานิพพานไม่ใช่อะไรตามแต่ก็อยากจะ จะบวชตั้งแต่บวชกันเรื่องนี้พี่ก็อุ้มไม่ได้ก็ยกอ่าเป็นแก่ที่นี่ อันเริ่มต้นเราไปพบได้ยังไงเพราะงั้นครับน้องอ๋อครับ ก็ก็เดินออกไปที่ 3 บ้านแล้วก็ว่าพระค่ะก็ออกทานกับคัมภีร์ฤทัยออกสระไว้ก็เกิดขึ้นค่ะกันเข้าอ่ะถ้าเขามี ว่าตอนนี้ก็มาในทางรถไฟเข้าไปจะเป็นดงครับภายก็กดคามแล้วก็ตั้งประมาณ อ่าเกิดขึ้นเนาะค่ะนี่เอาที่นี่ก็ยืนมันช้างค่ะแล้วที่มันก็เดินมาใกล้ช้างตัวนี้ก็อังหวงก็ตกจีวรลงจาก แล้วเดินไปต่อไปจนถึงหลานอันที่อยู่ครับแล้วท่านก็มาให้ลุก ประมาณ 15 นาทีอาจจะถึงต้นค่ะแต่ฉะนั้นเดินในบ้านนั้นเขาเกี่ยวทางไปถามบ้านนะครับไป ในแบบนั้นท่านมาแสดงอาตมาถึงแคียงเอียวท่านอันสูงมากใหญ่นี้ถ้าจะมาเป็นคนฉันข้าวเองความว่าท่านบอกให้เคลียวขาย 39 วันขายในบ่ายท่านนึงจะฉันกัน ชั้นนั้นแล้วก็ไปสิอย่ามาอยู่ที่นี่ ลองนั้นท่านก็อยู่ได้ท่านก็ก็อยู่ได้สายของชาลีอยู่ที่บางซื่อที่นู่นนี่เหมือนวันล่าง 3 ปลาครับเนยน้อยกว่าปลาสีใสจะไปลูก แม่น้อยน้ออยู่ในป่านั่งยิ้มคนเดียวน้อยๆแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมั้ยพระมีมีธาตุก็มีปริมาณปัจจุบันจึงปริมาณก็ต้ององกับ บางคนน่ะมีบุญว่าเห็นได้บางทีท่านนั่งนี่จะไม่ที่อาตมาไม่มีต้องต้องเป็นแต่หลวงปู่ท่าน จากการบอกเล่าของเณรได้ความชัดเจนว่าชาติที่แล้วคือหลวงปู่โหรแห่งวัด พบหลวงปู่บรมครูพระครูธรรมเทพโลกอุดรในสภาพพระแก่และได้คุยกัน อายุที่แท้จริงของท่านนั้นเท่าไหร่ลูกศิษย์ผู้เคารพใน และคุปเล่นujin ก็นั่งฟังอยู่ด้วยพร้อมกับจับใจ์ความในคำแทรษได้ยัะย่ 매� że บูápเมื่องเป็นสมบัติความชอบ วาจาและจิตถุศเล็กผิดกุฏโดยประการทั้งปวงเป็นของไม่ชอบเป็นของไม่ชอบ γ cops ๆให้เกิดขึ้นด้วยทางใดๆทั้งนั้น ก็เป็นความสุขชั่วขณะเท่านั้นเมื่อผลแห่ง เมื่อมีใครช่วยเราได้ดังนั้นจึงให้รีบเร่งบําเพ็ญคือประกอบแต่สุจริต 3 บาปเกิดขึ้นเพราะมีมูลเหตุเหตุที่บุญและบาปเกิดขึ้นมาจากฐานทั้ง 3 ดังกล่าวนั่นเองถ้าฐานตรงก็เรียกว่าบุญถ้าฐานเอียงก็เรียกว่าบาปพระอรหํศาสดาท่านสอนธรรมะให้เราท่านเลือกปฏิบัติตามฐานุฐานะของแต่ ซึ่งสอนกันหลายๆคนเข้าฉะนั้นทางที่ดีควรปฏิบัติและลืมสายคํา บนยอดภูประดิ่งในวันเพ็ญแห่งวิสาขมาสซึ่งได้รับการบันทึกโดยครูบาลุ่น แด่พระเกียรติคุณแด่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีห์นาถซึ่งพระวาจาใจ หรือผิดพลาดไปมิบังควรอย่างไรคณะศิษย์ ตลอดทั้งทั้งดวงวิญญาณของทหารกล้าและวีรชนผู้